บทที่หกสิบสี่เสียงปืนระเบิดกึดกก้องสะท้านเข้ามาถึงในถ้ำคราวนี้มันดังคล้ายๆจะอยู่ตีนเขาใกล้ๆใกล้ๆนี่เองเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั้งสองไปอย่างกระทันหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาริงลันดูเหมือนจะลืมเรื่องที่กาลังสนทนากันซะมดสิน้นทันหลันลุกขึ้นยืนวิ่งออกไปหน้าปากถ้าอีกครั้ง ระพินตามออกมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆขณะนั้นหมอกย่างลงมากแล้วมองเห็นทิวไม้เขียวทึบอยู่เบื้องล่างท่ามกลางแสงแง่ใสของยามเชา้ารู้สึกจะดังอยู่ใกล้ๆนี่เองหญิงสาวพูดเบาๆสีหน้าครุ่นคิดพยายามอ่านรูปการเกิดรบประทะต็กพันกันมาจนถึงนี่แล้วหรือ ย, อยังไงเสียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวคงไม่จะเป็นการต่อสู้แน่ครับพรานใหญ่กระซิบ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 เราต้องร่วมกับเขาได้ทันทีโดยไม่เสียเวลารัฟฟินบอกพร้อมกับตอบเข้ายังบริเวณที่พักโดยเร็วจัดการเก็บข้าวของบรรจุลงเป้หลังเตรียมพร้อมหญิงสาวปฏิบัติตามเขาอย่างไม่ยอมเสียเวลาหรือต้องให้เตือนซ้ำพรนใหญ่ฉวยรีมิงตันของเขาขึ้นมากระแทกกระสุนที่เหลือแต่จูเพียงสมนัดสุดท้ายกระเด็นออกมานิดหนึ่งหยิบส่งให้ดารินพร้อมกับพยักหน้าไปยังเออนประจํามือของหล่อน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 ฝ่ายที่นั่งคอยอยู่บนหน้าผาปากถ้ำก็สังเกตเห็นฝ่ายที่ติดตามมากำลังไต่เขาเลาะละัดมาจากพุ่งพงปรากฏลับลับล่อล่อแล้วค่อยๆใกล้ขึ้นมาเป็นลำดับระพินคำนวณไวไม่ผิดเลยแงาซายขยินและชัยยันสามคนต่างฝ่ายต่างมองเห็นกัน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 ราบกระบวกมือให้ทั้งสองรอคอยอยู่ก่อนตนเองโหนเชือกขึ้นไปเป็นคนแรกถัดมาก็ขยินแง่าสายครู่เดียวทั้งสามก็ขึ้นไปถึงบริเวณหน้าผาที่ดารินกับพระพินยืนรออยู่ก่อนแล้วทันทีที่มาถึงอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็กราเข้าก่อนเพื่อนสาวไว้แน่นแล้วหันไปจับแขนพรานใหญ่ด้วยความตื่นตันใจจนพูดอะไรไม่ออก ยินก็ส่งเสียงทักทายโลงเลงตามระษาของมันแงซายคนเดียวเท่านั้นที่ยิงฟันขาวอยู่เงียบเงียบสายตาจับนิ่งอยู่ที่จอมปลาดระหว่างที่ชัยยันยังพูดจาซักถามอยู่กับดารินระพินก็มองไปยังแงซายพูดแผ่วต่ำฉันรู้ว่าเป็นแกตั้งแต่ได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกแล้วละ่ะนายใหญ่ใช้ผมมาจอมพระเนจรตอบเสียงกังวลลึก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 ล้วแยกจากกันแล้วยอดชายนายพรานของเราน่ะเกิดจับสันขึ้นมากลางคันแล้วก็โอ้ยคงแทบตั้นใจตายกันหมดทุกคนดีเดียวเธอนี้สติดีมากนะน้อยที่สามารถช่วยตัวเองได้ในขณะที่รับพิ น, นหมดสติอยู่ราชสกุลสาวมองไปยังจอมพรานด้วยดวงตาเป็นประกายพรานใหญ่น่ะเขาทำหน้าที่ของเขาจนวินาทีสุดท้ายลาพังชั้นนะ่ะ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 มากกว่าครั้งที่ประทะเมื่อตอนเย็นวานมากนะักเพราะการรวมกลุ่มของพวกมันขนาดที่ระเบิดตกลงกลางวงและซ้ำอยู่หลายลูกแทบว่า ป, ป่าทั้งป่าแถบนั้นจะเปลี่ยนโล่งไปอาณาจักรของสังข์เขียวถล่มทลายลงซะแล้วสมตามคำสั่งของเชิดาแม้จะไม่ถึงกระสุนพันพวกมันก็คงจะเข็ดขยาดไปอีกหลายชั่วอายุของพวกมันกันเอง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 ลาวจบเขาก็สั่นหัวช้าๆอย่างเศร้าใจรับพินกับดารินเองก็อึ้นไปทั้งสองมีความรู้สึกที่ไม่อาจกล่าวได้ถูกเช่นกันเธอแน่ใจเหรอว่า พ, พวกมันราบขาบลงหมดแล้วนักมานุษยวิทยาสาวกระซิบถามขึ้นแผวเบาชายันหันไปมองดูตาแงใายจอมพเนจรเมินหลบไปทางอื่นถ้าจะเหลือ ก็คงเป็นเด็กกับผู้หญิงกระมังแล้วถ้าไม่ห้ามไวแซสายกับขยินก็คงกวาดเกลี้ยงไปแล้วเหมือนกันไม่น่าจะเอามันไว้ขวนค่าให้หมดนายทหารน่ะใจดีเกินไปขยินโผล่ขึ้นสีหน้าอาการปกติปราศจากความรู้สึกใดๆเรพินสังเกตเห็นอดีตนายบ้านลมช้างขิ้วอะไรชนิดหนึ่งอยู่ในมือห่อไว้ด้วยใบของต้นว่านกระดาษขนาดใหญ่จึงถามว่า เจ้าหิวอะไรมาด้วยละขยินแทนคำตอบขยินแก้ใบไม้ที่ห่อไว้ชูสิ่งนั้นขึ้นดารินร้องอุทานออกมาคำนททหนึ่งแท่พังงกสิ่งที่อยู่ในมือของขยินคือสีสษะของสู่สู่หัวหน้าเผ่าสางเขียวซึ่งถูกบันมาแค่คอยิงฟันขาวตาเบิกโพรงเลือดสีคล้ำยังหยดอยู่เป็นระยะจากรอยที่ตัด ระหว่างที่พรานใหญ่กับดารินตะลึงอยู่เจ้านักเลงโตลุงช้างก็วางหัวของซูซูลงเดินตรงไปที่ศพของลูที่นอนคว่ำหน้ากันอยู่ชักมีดประจำตัวออกฟันคาจากบาหิ้วผมของศีสะนั้นน้ำมายน์กองคู่กับศีสะของซูซูผู้เป็นบิดาขยินงจะเอาไปฝากนายใหญ่มันบอกห้าห้าวมันทำให้พวกเราทุกคนเกือบตายมันต้องชดใช้ด้วยหัวของมันเอง ในายใหญ่จะไม่เชื่อแน่ว่ามันสองคนพ่อลูกน่ะตายแล้วถ้าไม่เห็นสองหัวนี่ต่อไปนี้จะไม่มีสังเขยวออกล่าคนในแถบนี้อีกแล้วไม่มีใครขัดคานหรือท้วงติงในความคิดของขยินที่จะลงทุนหิ้วสองศีรษะนั้นไปให้เชษฐาดูด้วยทุกคนระหนักดีว่าเจ้ากระเรียงลมช้างนะ่ะเป็นคนบ้าระหมดุร้ายและแม้จะ ง, ง, งูกแต่ก็ซื่อสัตย์มั่นคงนัก ลงถ้ามันพักดีต่อใครขยินดูเหมือนจะเครียดแค้นพวกสางเขียวยิ่งกว่าใครในคณะทั้งสิ้หโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าลูเพราะมันเองเกือบเสียท่าถึงกับชีวิตด้วยพิดสงของลูเมื่อเย็นวันนี้ทั้งห้าคนนั่งทักสนทนากันอยู่บนลานหน้าผาผลัดกันสอบถามเหตุการณ์ที่ผจนมาแต่ละฝ่าย และถือโอกาสกินอาหารเช้าซึ่งฝ่ายชยันเตรียมมาอย่างพระพร้อมไม่มีอะไรจะต้องเร่งรีบกังวลอีกต่อไปเพราะเหตุร้ายผ่านพ้นไปแล้วชยันนั้นรอบข้อพอที่จะพกกระสุนลูกซองติดมาเผื่อดารินและรับพินอีกสองต่องเพราะเชื่อว่าต้องขาดมือลงแน่ตัวเองถือจุด3 7ห้าแม็กนัมของมาเรียเป็นอาวุธคู่มือตามเดิมส่วนขยินนั้นถือจดสาท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 น่าหินใจโด น, นสะบักสะบอมามากแล้วแล้วเธอเองล่ะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแยกจากกัน่ะเห็นหัวเลือดแดงถือไปเหมือนกันนี่ดารินถามมาโดยเร็วเพื่อนชายหัวเราะถอดหมวกก้มหัวลงไปให้ดูนิดหน่อยน่ะน้อ ย, ห, อยหัวแตกธรรมดาสงสัยจะกระแทกเข้ากับแ ง, ง่หินตอนประจันบาลกับมันที่ปลายสะพานนั่นแหละไม่นักหนาอะไรหรอกเจาะข้นเมื่ อ, อ, อไหร่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน